นะโมตัสสะภะคะวะโตอระระหะโตสมมาสมัมพุทธัสสะภะคะวะโตอระระหะโตสมมาสมัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิเจติยังสัพพตถาเนสุปติตตังสารีริขธาตุมหาโพธิ พุทธรูปังสักการังสัตทัณบัณนีอาตมภาพจะได้รับปราาะดานแสดงพรรตมเทศนาในสารีริกธาตุมหาโพธิกถาปัลลานาถึงศาสนคคำสั่งสอน ขององค์จีนวอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารบในวันสำคัญดางพุทธศาสนาคือวันอัศมีบูชาเป็นวันที่บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองเจริญศรัทธาประดับปัญญาบารมี เพิ่มในส่วนกุศลบุญยราศีแห่งธรรมมัตสนาไมาบุญคือบุญที่สำเร็จด้วยการจากการฟังธรรมท่าน ญ, ญาจโจมสาธุชนทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนพุทธศักราชสองพหสเป็นวันแรม8ดข้ามเดือนห เป็นวันสำคัญดางพระพุทธศาสนาอีกวาระหนึ่งนั่นก็คือเป็นวันอัตมีบูชาเป็นวันคายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำให้พี่น้องเราท่านทั้งหลายมีใจที่สะอาดมาที่วัดนั่นก็เพราะมีใจสะอาดเมื่อมาทำบุญ มีจิตใจเป็นคุณเมื่อมาพบพระมีจิตใจเป็นธรรมะเมื่อมาให้ทานปารบมงคลสมัยความสำคัญดังกก่าวจึงทำให้พี่น้องท่านทั้งหลายสาธุชนญาติโยมทุกท่านเตรียมตัวแต่ไกลเตรียมใจจากบ้านมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลวันสำคัญดางพระพุทธศาสนา ท่านญาติยาโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันวั น, วนแรมแปดค่ำเดือนหอัฐมีบูชาเป็นวันการบูชาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันความจริงวันสำคัญดางพระพุทธศาสนาที่เรารู้จักมักคุ้นเคยมีอยู่สามวันคือวันมาฆบูชา วันวิสาขาบูชาและวันอาสาหะบูชาแต่ว่าวันอัตมีบูชานั้นเราท่านทั้งหลายมักจะไม่ปารบพูดถึงกันเท่าไหร่นักแต่ถ้าเท้าความไปแล้ววันอัตมีบูชานั้นถือว่าเป็นวันกระตันยูของโลกท่านญาติยมนึกเอาเถิดวันที่บรรพบรุษเราตาย ก็อาจจะมีมิตรสหาหยไปลดน้ำไม่มากล้น่นแต่วันที่ถึงวันเผาวันพระราชทานหรือวันชาปนกิจศพทุกคนก็หลั่งน้ำจิตหลั่งน้ำใจมาให้แก่เจ้าภาพหรือว่าให้แก่คนตายเป็นการไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นวันนี้จะเห็นว่าหลายวัดหลายแห่งหลายที่หลายทางได้จัด ก, กิจกรรมงานเรียกว่า วันแห่งพระราชทานหรือว่าวันแห่งถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือนับเอาจากวันขึ้นสิบห้าค่เดือนหกวิสาขมาศที่ผ่านมาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จดับขันปาริณิพานนับจากวันนั้นถึงวันนี้ลงท้ายด้วยเลขแปดพอดียยม คือแปดวันแปดวันพบวันองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดับขันปริพานก็มีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในวันปริพานนั้นดังนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายมาหวนระลึกนึกถึงวันอัฐมีบูชาวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระรพระุทธเจ้าก็ทาให้เรามีจิตน้อมบูชา ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วดังบทพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพยกเป็นนิเขป บ, บทเบื้องต้นนั้นว่าวันทามิเจติยังสพัพตฐานเนสุปติทิตังสารีกธาตุมหาโพติงพุทธรูปังสักการังสธาเป็นต้นหมายความว่าข้าพเจ้าจักบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เนการตัดสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ตั้งปฏิสถานะที่ต่างๆดังนั้นการทําอย่างนี้ได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามมงคลตามหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าบูชาจัปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังนั่นก็หมายก็ว่าบูชาบุคคลผู้ควรบูชา เป็นอุดมมงคลสูงสุดในชีวิตหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานไปแล้วเรามารรดากษัตริย์ในเมืองกุสินาราต่างก็บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าในสามลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือบูชาพระบรมโรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะที่สองก็บูชาพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลักษณะที่สามก็บูชารอยพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมดูเอาเถิดว่าวันอัตมีบูชาวันถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโยมนะหลังจากพระพุทธเจ้าปริพันธแล้ว มลละกษัตริย์แห่งเจ้าเมืองกุสินารานจัดงานยิ่งใหญ่สมโพธเจริมฉลองบรรตะบรรดาเครื่องประดับมีดอกไม้มีที่ไหนแม้แต่เครื่องอลังการดนตรีต่างๆมาขับครองมาขับร้องประโคมตีบูชาพุทธสริระของพระพุทธเจ้าในช่วงระยะเจ็ดวันจนกระทั่งถึงวันที่แดวันที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ มั ล, ลกษัตริย์นยมแบ่งทำหน้าที่จัดงานอย่างสมบูรณ์แบบยกอัญเชิญพุทธศิระของพระพุทธเจ้าตั้งณมันทะมักุพันธนเจดียเพื่อที่จะประกอบพิธีถวายพระเพลิงรพระบมรมศพผลปรากฏว่ายมดัางทั้งหลาย พ, พ, พุทธบูชาพุทธรูปบูชาเนี่ยนะหรือว่าพุทธศิระบูชาในวันดังกล่าวที่จะถวายพระเพลิงนั้น ผลปรากฏว่าพุทธสรีละของพระพุทธเจ้าเนี่ยไฟไม่ติดเพิงไม่ไหมก็เป็นเหตุมหัสจรัร์ให้แก่ม ล, ละระกษัตริย์ทั้งหลายว่าทําไมเชไหนหนอนี่ทั้งชุบผ้าสํารีเนี่ยผ้าขาวชุบน้ํามันจันแล้วตั้งห้าร้อยชั้นทําไมเพิงไม่ติดคนก็สงสัยพระอนุรุทธะก็จึงแจ้งแก่ม ล, ละระกษัตริย์ทั้งหลายว่า เราเทพยาดาทั้งหลายบนท้องฟ้ามีจิตคิดประสงค์ต้องการรอให้พระมหากรสปะผู้เป็นรัตตันอยู่ในขณะนั้นรอให้พระมหากรสปะมากราปาพระพุทธเจ้าก่อนกราพระพุทธเจ้าก่อ น, อนแล้วเรามาละกษัตริย์กษัตริย์ทั้งหลายต่อถึงประชาชนก็ถามพระอนุรุทธะว่าแล้วพระมหากรสปะอยู่ที่ไหนยังไม่มาอีกเหรอ พระอนุรุทธะก็ตอบว่าพระมหากรสปะเดินทางมาเมืองนี้แล้วใกล้ถึงแล้วฝ่ายพระมหากรสปะเองเป็นพระเถระผู้เท่าที่บวชได้รับโอวาทสามข้อจากพระพุทธเจ้านดยมมีองค์เดียวในพุทธศาสนาและมีอายุถึงร้อยยี่สิบปีท่านก็เดินทางระหว่างทางมาก็เห็นจาชีวกคนหนึ่งถือดอกมณฑารบยม ดอกมณฐารพนี้เป็นดอกวิเศษเป็นดอกที่มาจากสวงสวรรค์และเป็นดอกที่บานในฤดูการคือหนึ่งพระโพธิสัตว์ประสูตรสองพระโพธิสัตว์ออกบวชสามพระโพธสิสัตว์ตัดสรุปสี่พระโพธิสัตว์ตั้งสัจจะอธิษฐานจะดับขันปริพานธ์ห้าพระโพธิสัตว์ดับขันปริพรรรันธ์นและประกอบพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหาการสปะก็เฉลยรู้ว่ามีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าแน่ก็เจออาชีวกถามว่าท่านได้ดอกมนทารพบนี้มาจากไหนอาชีวกก็ตอบว่าข้าพเจ้าได้ดอกมณทามนทารพบนี้มาจากเมืองกุสินารามคุพันธะเจดีคนกําลังจะถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า พระมหากัสสปะได้ยินอย่างนั้นก็เร่งถัดวีเท้าพระอรหันห้าร้อยรูปมุ่งรุดไปสู่มะกุมกุพันนาเจดีเมื่อไปถึงแล้วพระมหากัสสปะก็กราบลงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนั้นอยู่ในห่อผ้าทันไปด้วยสัรีนิยมห้าร้อยชั้นพระมหากัสสปะก็ตั้งสัจจะอธิษฐานก่าวขอขมาโทษต่อพระพุทธเจ้าว่า ข้าพระพุทธเจ้ า, ามหากัะสปะผู้ที่พระองค์ทรงประธานการอุปสมบทให้ด้วยโอวาทสามผู้ที่พระองค์ทรงประธานพระไตรปิวรให้นุ่งห่มเสมือนข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้อุปถากได้ดูแลพระองค์มีความสำนึกผิดแม้แต่พระองค์ยังมีจิตเมตตาต่อข้าพเจ้าปารับกับข้าพเจ้า ว, ว่าแม้มหากสปะชราภาพแล้ว ออกดงทุดงก็จำลำบากอยู่กับสำนักตถาคตเถิดข้าพเจ้าก็มิอาจอยู่กับของพระองค์ได้มาบัดนี้พระองค์ละสังขารจากโลกนี้ไปกรรมใดที่มหากระสปะคือข้าพเจ้าได้ล่วงเกินพระองค์ขอพระองค์จงอดโทษและจงเป็นการกราบครั้งสุดท้ายขอพระบาทพระองค์จงโผขึ้นมาเถิดโยมพระมหากระสปะอธิษฐานอย่างนั้นเลย ผลปรากฏว่าฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้าทั้งสองนิยมโพลออกมาจากผ้าสั ม, สมรีนะผ้าขาวที่พ5 0 0ชั้นเนี่ยเป็นปาฏิหาริมากพระมหากรสปะก็ทรงเอาศีรษะตนเองแนบไปกับพระบาทพระพุทธเจ้าแล้วประบาทนั้นก็หายไปในสํารีแบบปาฏิหารคนทั้งหลายเห็นตกใจความมหศั์สิทธยิ่งใหญ่นักดอกมณฑารบมาจากสวสวรรค์บูชาพุทธเจ้า และในขณะเดียวกันเพลิงนิยมนะก็ติดไม่มาจากสวงสวรรค์เลยเรียกว่าเพลิงก็ลุกโหมไม่พระพุทธสรีระพุทธเจ้าแล้วการไม่ศัีระพุทธเจ้ายมก็ทําให้เหลือพระอัจิริยะหรือพระบรมสารีริกธาตุแต่ว่าเป็นสิ่งน้าแปลกประหลาดมากญาติโยมในคนยุคนั้นไม่ใช่เพียงแค่ยุคปัจจุบัน หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าเสร็จวันนั้นนายโยมนะเมื่อไม่เสร็จแล้วเนี่ยเหลือแต่พระอัิทธาต่างๆพระบรมสารีริกธาตุต่างๆที่ยังไม่ไหม้เนี่ยเทวดาก็เนรมิตฝนนายโยมจากท้องฟ้ามาดับไฟให้มืดปิดให้มืดปิดหมดแล้วหลังจากนั้นเราบกกรริย์ก็ช่วยกันเก็บรักษาเอาพระอัศิ่าของพระพุทธเจ้าพระบรมสารีริกธาตุ ใส่ภาชนะทองคำรองรับแแอเข้าสู่พระนครโยมพอเมื่อมีการเมื่อเก็บอัฐิเรียบร้อยในวันดังกล่าวนี้นายโยมนะก็มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นในพุทธศาสนาอีกผลปรากฏว่าคนนี้ทาทะเราะกันโยมคือมีกษัตริรรย์อีกแปดพระนครอีกเจ็ดพระนครด้ติอีกเจ็พระนครรวมกับมรละกษัตริย์เนี่ยก็มา ีประตูหน้าวังของเมืองกุสินาราเลยมาเพื่ออะไรโยมมาเพื่อขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุฝ่ายมลระกษัตริย์บอกว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้เชิญท่านแล้วพระพุทธเจ้าก็มาตายเมืองเราดังนั้นอธิธาติทั้งหมดกระดูกพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่แหละต้องเป็นสมบัติของเมืองกุสินาราเท่านั้นฝ่ายพระเจ้าอาชาติสตูเป็นต้ น, นในนายมนะไม่ยอมยม ตั้งกองทัพล้อมเมืองกุสินาราทั้งแปดมุมเมืองเลยทั้งกษัตริย์อื่นๆบอกว่าทําไมให้ทรงราชทูตไปบอกท่าไม่เตาแบ่งส่วนพระบรมสาลีลิกิาติวันนี้ต้องเกิดศึกหนักแนะ่บนปรากฏว่ากษัตริย์ทั้งแปดพระนครยมยกสีทาทัพตั้งป้อมปะใสกันแล้วเห็นชรอยว่าการดับขันปริณิพานพุทธเจ้าการถวายพระเปลิงพระบรมสพพพุทธเจ้า จะต้องทำให้หายนะเกิดขึ้นแน่บังเอิญว่าในบรรดาเหล่านั้นยมมีพรามั้นผู้หนึ่งเป็นที่เคารพนับถือพเออมละเออเป็นที่เคารพนับถือบรรดากษัตริย์เรียกว่าอาจารย์ทิสา ป, ปาโมโ ค, คือโทนพรามยมเห็นเหตุการณร์เลวร้ายจะเกิดขึ้นก็นเลยเปีนขึ้นสู่ที่สูงเลยมบนปราสาทหรือบนต้นไม้ก็ไม่รู้ ประกาศว่านี้่ันกา์ทั้งหลายค่าแต่สมมุติเทพพระพุทธเจ้าพึ่งดับขันปริปาน พ, พระองค์ทรงสอนเรื่องขันติธรรมให้แก่พวกมว ล, ม, วลมนุษยชาคือความอดทนสอนอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนต่อกันแต่นี้พระพุทธเจ้ากำลังผ่านไปยังไม่ถึงเจ็ดวันฉะไหนใหญ่เราเราพุทธบริษัท ต, ต้องมาทะเลาะกันด้วยเหตุอันไม่ควรดังกล่าว ระรอยตพราะพระพุทธเจ้าทรงทราบถ้ายังมีพระชนอยู่พระองค์ทรงจะลําบากใจไม่ใช่น้อยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราในฐานะเป็นอาจารย์ของท่านกษัตริย์ทั้งหลายเป็นผู้ชี้ทางออกบอกทางให้เราจะเป็นผู้บแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้สัดส่วนเท่ากันก็แล้วกันท่านจะยินยอมไหมท่านกษัตริย์ทั้งหลายกษัตริย์ทั้งแปดตระนครได้ยินโทนพามพูดอย่างนั้นโยม ยินยอมตอบรับว่าโอ้นี่ความคิดดีมากคุดไอเดียแม่สมเป็นอาจารย์ทางฝ่ายคารวะแทฉะโทนาพามเก่งมากยมเป็นนักเจรจามีวาทะผีปากเอกนี่เลวได้ดีเพราะปากก็เลยจัดส่วนจัดส่วนยมพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยตวงเป็นท่านานทนานนะยมนะให้เมืองละสองท่านานก็เป็นสิบแปดนะเป็นสิบแปดท่านานก็คือ จัดให้พระมหากษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อจัดอย่างแล้วเนี่ยตอนที่แบ่งพ่อรมสารีลิกธาตุโทนาพามก็นั่งอยู่ที่สูงกว่าใครอยเหมือนอาตมา น, นั่งอยู่ตรงนี้แหละมองเห็นพระโบกษัตริย์ทั้งหลายร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจเพราะเห็นพระรัศมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งดีใจและก็ดีเสียใจที่พรุทธเจ้าจากไปดีใจที่จะได้พ่อรมสารีลิกธาตุ ร้องไห้ก้มน้ำหูน้ำตาเช็ดหน้าเช็ดตายไม่มองโทนพามโทนพามก็เป็นคนชราดเอาละนั่งก้มหน้าก้มตาร้องกันดีใช่ไหมดังนั้นเราในฐานะคนแบ่งขอเอาหัวปีก่อนโยมหยิบเอาพระธาตุเที่ยวแก้วเบื้องขวาพุทธเจ้านี่ใส่ไว้มวยผมตนเองเพราะกลัวว่าตัวเองไม่ได้เหมือนกันโทนพามนะไม่มีจิตคิดกมมวยนะแต่ต้องการบูชา เพราะกษัตริย์กําลังร้องไห้เช็ดน้ำหูน้ําตาเหมือนยมนั่งฟังเทนนั่งกลมหน้ากลมตาปนปรากฏว่าโทนปามก็ขโมยพระธาตุเขี้ยวแก้วพุทธเจ้านิยมไว้มวยผมแล้วก็จัดสรรปันส่วนแบ่งครบเสร็จเรียบร้อยมลณะกษัตริย์กษัตริย์ทั้งหลายได้ทั้งแปดมรณะรโยมเมื่อได้ไปแล้วเนี่ยจะเสร็จพิธีแล้วก็เอามือไปจับมวยผมตนเองว่าพระธาตุเขี้ยวแก้วยังอยู่ไหม อา้าวพระธาตุเขี้ยวแก้วหายไปแล้วนี่เลยโยมคิดไม่ซื่อผลปรากฏว่าพระอินทร์ที่อยู่บนสวงสวรรค์ท่นมีจิปเนตรหสเสนโตสายตาอันยาวไกลโยมมองเห็นพฤติกรรมหมดไม่ต้องใช้กล้องเหมือนบ้านราวเลยโยมนะไม่ต้องใช้วงจรปิดแต่พระอินทร์ท่านอยู่บนสวงสวรรค์เห็นว่าโทนพามมิขโมยเขี้ยวแก้วพระพุทธเจ้าไปพระเทวดาพระอินทร์ก็เลย ขโมยไปอีกต่อหนึ่งโยมและก็อัญเชิญบรรจุอยู่ที่พระจุฬาแก้วเขียมณีจนถึงปัจจุบันนี้นายโยมนะพระธาตุเที่ยวแก้วเนี่ยมีสองส่วนส่วนหนึ่งปัจจุบันอยู่ที่จุฬามณีอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ประเทศศรีลังกาโยมนะฮะสองสีนี้นะสองฟันสองชุดนี้นะที่เป็นพระธาตุเที่ยวแก้วเนี่ย อาตามาภาพมีโอกาสได้ติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าพรคุณรองสมเด็จพระปมรบัณฑิตไปที่ศรีลังกาก็ได้มีโอกาสไปกราบไหว้แล้วนาโยมนะที่ประเทศศรีลังกานั้นก็เป็นพระธาตุเขี้ยวแก้วในด้านซ้ายแต่เบื้องขวาเนี่ยพระอินขโมยโทนพามโทนพามจะแสดงอาการว่าพระธาตุเขี้ยวแก้วหายไปก็แสดงไม่ได้โยมถ้าแสดงปุ๊บก็บอกว่าเอนี่เราเป็นคนกำลังการกลางและขโมยไปก่อนจะซื่อสัตว์ได้ไง ก็ทำตาพยายามจับโนนจับนี่เมื่อไม่ได้แน่แล้วก็เลยขอพรกับกษัตริย์ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าทั้งหลาย อ, อาตมเอเรานี่เป็นคนแบ่งพระตาตให้แก่ท่านแต่ว่าไม่ได้มีส่วนพิเศษอะไรที่ได้จากพระพุทธเจ้าเลยดังนั้นก็ขอไอ้ธนานตวงนี่แหละเอาไปบูชาสร้างสถูกก็แล้วกันกษัตริย์ทั้งหลายก็เลยอนุโมทนาโทนภามก็เลยได้แค่เครื่องช่างตวงยม ตวงพระธาตุพระพุทธเจ้าไปบูชานะโยมนะแต่พระธาตุเที่ยวแก้วไม่ได้แต่ที่นี่เรามองเห็นว่าโทนาพามนี้ได้เป็นยอดของอัจฉริยะบุคคลที่จะสามารถห้ามศึกห้ามทับได้นี่แหละโยมท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําพูดของโทนาพามว่าเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องขันติธรรมคือความอดทนความอดกัน้นสอนเรื่องอวิหิงสาคือความไม่บิดเบียนแต่ฉไหนใหญ่เร่า เราต้องมาเบียดเบียนกันไม่มีความอดทนต้องมาทะเลาะกันเพราะแย่งพระบรมสารีริกธานี่โทนพานได้ทำหน้าที่ในลักษณะที่สาคือบูชารอยพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าจึงทำให้เป็นมงคลแก่คนที่กระทำโยมในหลักของพระพุทธศาสนาเราจะทำอย่างไรให้เจริญจรยวัตรตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์ดับขันปรินิพานแล้วเราชาวพุทธก็จักทำสักการะบูชาบ้างสัมมาณะบูชาบ้างปักขันหับูชาบ้างสักการะบูชาก็บูชาด้วยเครื่องของหอมดอกไม้โต๊ะหมู ป, ด, ป, ด, ปดับปดาพยด้วยดอกไม้บุกพันคัทชาติานี้เป็นต้นนี่เรียกสักการะบูชา สำมาณะบูชาก็มีจิตลำลึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยวัตรสามประการของพุทธเจ้าประการที่หนึ่งก็คือพุทธจริยาจริยาของประการที่หนึ่งคือโลกัตถจริยาประโยชน์เกิดมาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อปโจจประการที่สองคือยาตัดจริยา เกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติพี่น้องประการที่สามคือพุท ธ, ธตัจริยาเกิดมาเพื่อบำเพ็ญความเป็นพระพุทธเจ้าญาติยอมเลือกเอาคุณธรรมทั้งสของพระพุทธเจ้านี่แหละได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นพุทธบุตรพุทธินรตได้ชื่อว่าเป็นพุทธสากนิกชนที่ดีแล้วอย่างอาทิเช่นแค่ยาตัทจริยานี้ก็สุดยอดละโยม ถ้าใครจเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี่เกิดมาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ญาติคือญาติทัจริยานะจริงๆมีสามยมอาตมายกมาหนึ่งก็แล้วกันโลกัตจัลยานี่ก็คือเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทั้งโลกเลยพุทธจริยานี้ก็คือบำเพ็ญความเป็นพระพุทธเจ้าและประการที่อาตมาจะให้ญาติยมรับทราบก็คือญาติทัจริยาเป็นจริยาวัคที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามให้เราเห็นยม นั่นก็คือการสงเคราะห์ญาติพี่น้องคือบรรดบุรุษของตนเองโยมนึกดูเอาสิพระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยได้แค่เจ็ดวันแม่ก็ละสังขารจากโลกนี้ไปและวันกล้าแม่ที่ละสังขารนะโยมนะตรงกับวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าวันเดียวกันโยม พระพุทธเจ้าเผาวันนั้นพระราชถวายพระเพลิงพระบรมศพวันนั้นพุทธมันดาก็สิ้นพระชนในวันนั้นเมื่อแเมื่อแปดสิบปีของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อพุทธมันดาสิวงคตไปแล้วสวรรคตเกิดเป็นเทวดาอยู่โยมพระพุทธเจ้านี้ก็เสด็จไปโปรดไปเทศอยู่กับแม่สามเดือนนโยมอยู่ในสวงสวรรค์เนี่ยเก้าสิบวันเทศจนกระทั่งแม่บรรลุเป็นพระอระหรันต์นะ นี่คือการตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ก็เลี้ยงกายตายก็เลี้ยงวิญญาณนี่แหละโยมคือคุณธรรมที่พระพุทธเจ้ า, ออาทรงสงเคราะห์ญาติพี่น้องสเสด็จพ่อคือพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยแกชราภาพพระพุทธเจ้าก็ไปอุปถากดูแลไปเทศไปสอนให้พ่อจนกระทั่งพ่อบรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์เรียกว่าให้พ่อได้มีความสุขจนถึงวาระสุดท้า ย, ยชีวิต นี่ก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีเราจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้จริยาวัดเหล่านี้เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและตลอดระยะเวลาชีวิตของพระพุทธเจ้านโยมนะแปสิบพรรษาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นชีวิตที่ถ้าพูดราษาชาวบ้านว่าไม่ได้อยู่บนกองเงินกองทองเป็นชีวิตที่มีความสุขทางกาย แต่ชีวิตของพระพุทธเจ้าเป็นชีวิตที่มีความสุขทางใจทายาทโยมมีโอกาสไปกราบพระรสังเวชนิฐานทั้งสี่เป็นสร้างเกิดความสังเวชจริงๆสลดหดหูคือนึกถึงปัจจริาวัตรพระมาหากรุณาธิคุณของพุทธเจ้าแล้วเหล่านี้เกิดมาเป็นคนจนรุ่นหลังในโยมนะเห็นการเผยแพร่ศาสาศนาพุทธเจ้า เห็นการทุกข์ลำบากในการเผยแผ่พุทธเจ้าดังนั้นเราต sure ้องทำไม่มากหรือว่าให้ได้ส่วนที่เราเป็นอยู่อยู่ดังนั้นเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติจึงประกาศยกย่องความสำคัญของพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาให้เป็นวันสำคัญของโลกนี่เข้ารัษณะว่าปักคันหบูชา ยกย่องพระพุทธเจ้าที่นี้จริยาวัดของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมาโดยย่อนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นมีการต่อสู้มีการอดทนยิ่งใหญ่ยมจึงมีทำให้คิดถึงวรีคำที่ท่านกล่าวว่าถ้าโลกนี้ไม่มีอุปสรรคมนุษย์ก็จะไม่รู้จักคำว่าความพยายามดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ย พยายามจนกระทั่งพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้พยายามจนกระทั่งตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนาจนมาเผยแผ่ถึงทุกวันนี้ 2,601 ปีนี่ก็เพราะความเพียรพยายามที่พระพุทธเจ้าสร้างสรรค์ความสุขให้เกิดมวลมนุษยชาติดังนั้นเราเปียวเป็นอนุชนคนรุ่นหลังพุทธบริษัทจะ ย, ยึดมั่นหลักตามพุทธเจ้าได้อย่างไร ย, ยม ให้มีความอดทนเหมือนพระพุทธเจ้าได้ไหมให้มีการต่อสู้เหมือนพระพุทธเจ้าได้ไหมให้เป็นคนมีวิสัยทัศน์หรือนิสัยดั่งจริยวัตรพุทธเจ้าได้ไหมอดทนให้เหมือนก้อนหินติดดินให้เหมือนต้นยญ้าใจกว้างให้เหมือนท้องฟ้ามุ่งไปข้างหน้าให้เหมือนดุดสายธาราได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่เคยหยุดที่จะทําความดี และเราเหล่าพี่น้องทั้งหลายพุทธบริษัทที่ดีจะหยุดทำความดีกันทำไมดังนั้นทำความดีไปเถิดอย่าท้ออย่าแท้ในการที่ทำคุณงามความดีอย่างวันนี้วัดพระเยรวงสาวาตตอนภาคข้าก็มีกิจกรรมพิเศษถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือมีการแสดงพระธรรมเทศนาสองธรรมะ มีการประกอบพิธีเวียนเทียนวันสำคัญคือบูชาพระเพลิงพระรมปศพพุทธเจ้าปารบสมัยมงคลดังกก่าวมานั้นญาติโยมก็มาร่วมพิธีกิจกรรมดังนี้บางคนบางท่านเห็นเรามาทำความดีก็มักอิจฉาริษยาโยมดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะว่าอย่างไรถ้าเราทำอะไรดีๆและถูกมองว่าสร้างภาพกว่าช่างเขาอย่างน้อยเราก็ได้มีโอกาสทำความดี ไม่เหมือนเขาแค่คิดดียังไม่เคยที่จะทำดังนั้นความดีทำไปเถิดโยมเราจะทำสิ่งที่มันถูกต้องแต่อย่าทำสิ่งที่มันถูกใจยึดหลักธรรมของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริยาวัดของพระพุทธเจ้าแล้วเราทำอย่างนี้นับว่าเป็นพุทธศาสนิกที่ดีในพระพุทธศาสนาทำให้เรามีความสุขในเรื่องของบุญ ทำให้เรามีความอบอุ่นในเรื่องของบุญเพราะท่านกล่าวไว้ว่ามีสุขอยู่ในบุญเพราะเราเสพคุณที่จะทำความดีมีสุขทุกนาทีเพราะชีวีเรามีแต่เรื่องของบุญมีสุขทุกพบทุกชาติเพราะไม่ประมาทในเรื่องของบุญกุศลมีชีวิตที่อบอุ่นเพราะเราได้ทําบุญที่วัดประยูนนี่แหละโยมดังนั้นโยมท่านทั้งหลายการทาคุณงามความดีเนี่ยไม่มีขายนะโยมนะ อยากได้ต้องทำเองปารลบวันสำคัญของศาสนาปารลบวันพระวันโกนี่แหละเราก็ถือโอกาสว่างมีเวลามาทำจิตใจให้สว่างมาทำจิตใจให้ใสยอย่างน้อยเจ็ดวันได้สักวันหนึ่งก็ยังดีคิดแต่ดีทำแต่ดีและชีวิตเราจะได้ดียมถ้าใจเราไม่ขุนมัวจิตใจเราไม่มัวหมองชีวิตเราเนี่ยมันก็มีความสุขชีวิตคนที่ประเสริฐยมนะยมแม้แต่มีชีวิตอยู่วันเดียว ก็ถือว่าประเสริฐกว่าคนที่มีอายุตั้งกว่าร้อยกว่าปีดังนั้นสัปดาห์หนึ่งทาตนให้เป็นคนดีเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันอย่างนี้ได้ชื่อว่ามีชีวิตที่ประเสริฐได้ปฏิบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชื่อว่าบูชารอยระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองญาติโยมตั้นทั้งหลาย ท้ายที่สุดเองพระธรรมเทศนาในวันนี้รัตนตยานุภาเวนะขออ้างเอาคุณเ่งพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดถึงคุณบารมีของหลวงพ่อพระพุทธนาพระประธานศักดิ์สิทธิ์ประจําพระอารามแห่งนี้อำนาจบารมีของหลวงพ่อพุทธธรรมวิเชษศาสดาพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระโบสถศ อำนาจพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานพระบรมธาตุมหาเจดีย์อำนาจบารมีของเหล่าเทพเทวาที่อารักขาอย่างพระบรมสารีริกธาตุจงอํานวยอวยพรประสิทธิ์ประสัดพร อ, อันเป็นมงคลให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้สรรสร้างคุณงามความดีร่วมกันทําความดีในวันนี้จงเจริญด้วยสิริสวัสดิพัฒนมงคล ให้มีความสมบูรณ์บณ์ผลในสิ่งพึงปรารถนาจงทุกประการอาตมภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาก็สมสมัยแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีจ่วยประการฉันนี